ท่านังที่รบค่ะท่านกาลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ร้อยและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียดดิฉันสันสีนาภูนันเวรายการที่ชื่อว่าสันสนีสนทนาอยู่นะคะก่อนหน้านี้พระมาร์คชาคาวโรค่ะท่านก็นำพวกเราปฏิบัติธรรมและอ่านพระสูตรให้เราฟังต่อไปนี้จะเป็นพระเพรบุอภิปุโนจากวัดปา่าดอนหายโศดอรธานีนะคะที่จะมาตอบคาถามพวกเรา ด้วยพุทธวจนะค่ะช่วงนี้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะเรามาพบกับท่านกันเลยค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะจุลกรค่ะคงจะให้ท่านได้ช่วยพูดถึงพระพุทธองค์เพื่อเป็นถวายพุทธบูชาออในปีพุทธเชียนตีกรค่ะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยจะรัดกลุมไม่หละหลวม <c oughs> การแสดงธรรมของพระองค์จะรัด ก, กุมไม่หละหลวมนะไม่ว่าจะแสดงธรรมกับใครก็ตามนะาเคยเปรียบเทียบกับเนื้อนาชั้นดีนะเช่นกับภิกษุหรือภิกษุณีเนี่ยก็จะแสดงธรรมอย่างไม่หละหลวมรัด ก, กุมไม่หละหลวมนะถ้าแสดงธรรมกับเนื้อนาชั้นประการอย่างเช่นอนะุบาสกอุบาสิกาก็จะแสดงธรรมอย่างไม่หละหลวมแล้วก็ถ้าแสดงธรรมต่อเนื้อนาชั้นเลว ในเช่นพวกคนที่นอกคําสอนไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็ยังเป็นพวกที่ยังเป็นผู้ที่แสดงธรรมอย่างรัด ก, กุมแม่หละหลวมในครั้งหนึ่งมีปริพาก ค, คุณยมติวที่ชื่อว่าธีคตาปัดสีนะเข้ามาโต้ครมกับพระพุทธเจ้าถามว่าเอ้การกระทากรรมเนี่ยอันไหนมันหนักกว่ากันนะพระพุทธเจ้าบัญญัติการกระทํากรรมอย่างไหนมีลักษณะใดบ้างแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดถึงการกระทําทางกายทางวาจาทางใจ นั่นคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็อิตาทีกตตาปสีเนี่ย <c oughs> เขาก็มาถามว่าเออแล้วอย่างไหน เ, เป็นกรรมที่หนักที่สุดสามารถทําบาปได้มากที่สุดปริชาก็บอกว่าต้องเป็นมโนกรรมนะมะโนกรรมเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เกิดบาปมีโทษมากมากที่สุดมากกว่าวจีกรรมมากกว่ากายกรรมอีกทีกัตตาปสีเนี่ยก็ได้หัวกล่าวทวนกันถึงสามรอบ ว่า mm hmm. มโนกรรมจริงหรอมโนกรรมจริงหรอมโนกรรมจริงหรอพุทธเจ้ hmm. าก็บอกว่ามโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมถึงสามรอบทวนกันไปทวนกันมาน ะ, ะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าโอ้มโนกรรมเนี่ยหนักที่สุดคือใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจ <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้ทำให้เรามองเห็นว่าเวลาพุทธเจ้าคือคือจะมามามองประเด็นนี้นะว่าสมมติ มีใครจะมาคุยกับเราอย่างเงี้ยคุยกวนกลวควุยถามตะณหากลวนกวนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะคุยกับคนนั้นอะใช่ไหมแต่พระเจ้าเนี่ยก็แสดงธรรมด้วยความารัด ก, กุมไม่หละหลวมเหมือนเดิมนึกออกไหมอ่าคือยังมีใจที่เมตตามีกรุณาในการที่จะแสดงธรรมนะเพราะว่ามีความคิดว่าถึงแม้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะรู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบทก็ยังจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเขาตลอดกาลนานค่ะคือไม่มีการ คิดว่าทําง่ายๆเขาไปทีพอผ่านเลยรัดกลุ่มไม่ละหลวมตลอดเหมือนเดิมอันนี้เป็นคุณลักษณะของพระพุทธองค์ <c oughs> คืออาจจะใช้เนื้อเนื้อเขาเรียกว่าชุวเวลาในการแสดงธรรมกับคนพวกเนี้น้อยบ้างนะคือบรรพุชาเปรียบเทียบกับการทํานาของชาวนาก็นะทํางานของชาวนาเขาจะต้องทํานาในพื้นที่ที่นาดีซะก่อนแล้วก็ทํางานในพอทําเสร็จเรียบร้อยก็ทํานาในพื้นที่ปานกลางแล้วก็ทํานาในที่ดอน นี่ยที่ดอนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ดินที่แห้งแข็งเป็นดินที่เเค็มอย่างเงี้ยพอไปพอทาทุกอย่างเสร็จมาแล้วเหลือที่ตรงนี้อยู่ยเวลายังเหลืออยู่นะก็อาจจะมาทําตรงนี้บ้างนะเพื่อที่จะ เ, เลี้ยงเอาไว้เผื่อให้วัวให้ควายมากินตรงนี้แธรรมาก็เลยไปถามชาวนาที่เขามาที่วัด่นะว่าเขาทํำงาน ย, ยังไงชาวนาเขาก็บอกว่าเขาหว่านานาเนี่ยนะเวลาทําทํานาดํานาเนี่ยเขาต้องดํานาในพื้นที่ที่ เป็นนาชั้นดีซะก่อนอาตมาก็ถามว่าทำไมถึงต้องทาอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าปีไหนเนี่ยเป็นปีที่ฝนดีเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันก็จะโตได้ได้เร็วกว่ามีผลิตผลมากที่สุดแต่ถ้าปีไหนน้ํามากเกินไปนะฝนตกมากเกินไปเขาทําตรงนี้ก่อนอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าต้นข้าวมันโตแล้วเนี่ยมันจะรอดจากน้ําท่วมได้ <c oughs> นะแต่ถ้าปีไหนฝนแรง น้ำน้อยเขาจะต้องทําตรงเนื้อเนื้อนาชั้นดีนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าต้นข้าวมันโตแล้วมันก็จะทนแรงได้มากกว่าต้นข้าวอ่อนๆนะเพราะนนั้ถ้าตรงนี้มันโตก่อนเนี่ยอย่างน้อยเรายังได้มีอะไรกินบ้างยังมีผลิตผลบ้างถ้าเป็นที่อื่นนะชั้นกลางนาะชั้นเลวพวกนี้ไม่รอดเลยน้ําท่วมก็ไม่รอดน้ําแล้งก็ไม่รอดเพราะนั้นเขาจึงยังไงก็ตามเขาต้องทําในเนื้อ น, อนาชั้นดีก่อนค่ะพระพุทธเจ้าก็จึงในพูดในลักษณะว่าเออถ้าจะแสดงทําเนี่ยก็จะ แบ่งการทํางานอย่างเนี้ยก็คืออย่างไรก็ตามเนื้อในะชั้นดีชั้นเลวหรือว่าชั้นยอดชั้นปานกลางก็จะแสดงธรรมอย่างรัด ก, กุมไม่หลาหลวมค่ะ <c oughs> นี่ก็คือแบบนี้นะค่ะนี่ก็คือสรุปเป็นพุทธเชนตีในวันนี้ที่ว่าทําให้พวกเรารู้จักพระศาสดา ข, ของเรามากยิ่งขึ้นว่าแม้ในการแสดงธรรมกับคนประเภทที่อมีคุณสมบัติน้อยนะคะก็อย่าง แสดงอย่างไม่ละลวนทัดเทียมกับคนที่ฉเลฉลียวฉลาดมากกว่าแปลงนี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะค่ะมาถึงคําถามค่ะท่านคะยามผ่านที่ดิฉนันตั้งใจจะกราบเรียนถามท่านในวันนี้เนี่ยคืออ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกวันเป็นเวลากี่ปีเลยเด็กโกตเนี่ะก็มีเรื่องซ้ำๆเดิมนะคะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่หมวดหมู่หนึ่งคือเรื่องของความไม่เป็นธรรมเหมือนะคะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะคือความไม่เป็นธรรมนี่มันก็มีหลายลักษณะหลายรูปแบบนะคะ แต่ว่าทีฉันอยากจะกราบเรียนถามตรงไปที่ในระหว่างความไม่เป็นธรรมบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบอืเช่นการเอาลูกเข้าเรียนเนี่ยทาไมลูกเราควรจะได้ ม, มีคุณสมบัติทุกอย่างแต่ไม่ได้ทําไมลูกคนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้ได้ไอ้เจ้าตัวก็เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรร ม, มส่วนจะเป็นความไม่เป็นธรรมจริงหรือเปล่านี่ยก็เป็นเรื่องของข้อที่จริงที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปนะคะแล้วรายการเรากคงจะก้าวไปไม่ถึงตรงนั้นดิฉันจะ กลับเรียนทางที่เกี่ยวกับรายการของเราในเรื่องของความเป็นธรรมตามธรรมเนี่ยเหมือนกับความเป็นธรรมแบบที่เข า, เ, าเรียกร้องกันอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าบนกันมีปัญหากันอย่างนั้นไหมคะความเป็นธรรมในเรื่องของธรรมะเนี่ยก็มีเรื่องของอกรรมนั่นเองนะบุคคลย่อมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัย การกระทาการกระทําใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นคือหมาว่าอย่าง เ, à, เราเห็นคนทําไม่ดีอย่างเนี้แล้วเราจะไปเครียดว่าเออคนนี้มันไม่เห็นได้รับกรรมชั่วเลยโอ้ยความยุติธรรมอยู่ที่ไหนทําไม à, บ้านเมืองไม่ลงโทษเขาความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอันนี้สบายใจได้เลยว่า อ, อ, อย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ลงโทษเขาบ้านเมืองไม่ได้ลงโทษเขายังไงกรรมก็ต้องตามเขาทันอยู่ดีไม่ว่าชา้าไม่ว่าเร็วนะนี่คือกรณีที่ว่าเขาทาความบิดทําความชั่ว หรือว่าคนที่ทําความดีทําไมไม่ได้รับผลดีตอบแทนเลยในอย่างน้อยเราให้สบายใจได้เลยว่ายัางไงเขาต้องได้ดีสักวันหนึ่ง น, นะทีนี้ว่าอย่างเรื่องของการเอาลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือว่าการป <c oughs> ่วยบ้างอะไรบ้างพวกนี้มันจะเป็นก ร, กรณีกันกับที่ทําความดีทำความชั่วเพราะนี่เป็นเรื่อง <c oughs> ทั่วๆไปใช่ไหมอันนี้ <c oughs> คือเป็นเรื่องของความทุกข์อยู่แล้วปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังบางทีมันเกิดขึ้นได้บางทีมันเกิดขึ้นได้ เหตุปัจจัยมันมีมากมายเลยว่าทําไมต้องเอาคนนี้ไม่เอาคนนั้นทําไมฉันไม่ได้อันนี้ทําไมถึงฉันถึงได้อันนั้นนะมันมันก็มีเหตุปัจจัยมากมายเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้ทําอความก็เรียกว่าเป็นธรรมในจิตของเรานะี่ยโดยการที่เราเข้าใจว่าอ๋อไอ้ความปรารถนาที่บุญตีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนนถ้าเราเราทําใจตรงนี้ได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อย่างน้อยจิตใจเราไม่เป็นทุกข์นี่เป็นอ่าสิทธิที่เรามีได้อย่างเต็มเต็ม นะสิทธิที่จะเลือกได้ว่าเราจะคิดอย่างไรสิทธิที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะไม่ทุกข์อืมค่ะกเทากับว่าเรื่องของความเป็นธรรมในทางโลกกับทางธรรมเนี่ยคล้ายกันถูกไหมคะอคือตามกฎหมายบ้านเมืองนี่ก็จะส่วนหนึ่งนะค่ะอ่าแต่ว่าตามหลักของกรรมนก็อย่างที่ว่ามาจะแบ่งแยกเป็นสองส่วนคือเรื่องของการทำดีกับทาชั่วอันนี้ส่วนหนึ่ง ในอย่างที่สองคือเรื่องของความปรารถนาสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแยกเป็นสองส่วนคือจะไม่เหมือนกับทางบ้านเมืองทั่วไปเขาที่เดียวหรอกในเรื่องของความยุติธรรมตรงนี้นะนะคะก็ผ่านไปจากเรื่องนั้นมาถึงอีกเรื่องนะท่านคะความเมตตาทาข้อนี้สําคัญแค่ไหนอย่างไรในาศาสนาพาุทธค่ะเป็นธรรมะสาหรับผู้ที่เป็นใหญ่ นะผู้ที่เป็นใหญ่เนี่ยคือผู้ที่อย่างเช่นว่าพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกนักการเมืองที่มีอานาจนะหรือว่าบุคคลที่เป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์พวกนี้นะเป็นคนที่มีอานาจเนี่ยควรจะต้องอมีความเมตตานะซึ่งมันก็จะต้องมาคู่กันนะเมตตากรุณามุริษตาอุเบกขาสอย่างนีนะ้จะเป็นธรรมะที่ทําให้ถึงความเป็นสำหรับผู้ที่เป็ น, ปนใหญ่ ซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้คือตอนที่บุคคลพวกพราหมเนี่ยเขามาถามข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความเป็นพรหมเนะี่พร้มเนี่ยหรือว่าพร้อรมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ในสังสารวัตเนี่ยที่มีความเป็นใหญ่มากที่สุดพรนะพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงธรรมะนี้ที่ทําให้บุคคลเนี่ยมีความเป็นใหญ่เราดู ง, ง่ายๆก็ได้คุณยมติ๋วอย่างบุคคลที่มีความเมตตากรุณาบุรุษตาอเบกขาเนี่ยเขาสามารถ คือใครที่เป็นใหญ่นี่ยนะคุณควรจะต้องมีคุณธรรมข้อนี้นะไม่งั้น ค, คุณจะไม่สามารถปกครองหรือว่าทำํำกิจกรรมต่างๆให้มันรุ่วงไปได้นะอืดงงูง่ายๆก็เลยในกรณีนี้ค่ะก็เท่ากับว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่งทีเดียวออืในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของเป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ทีนี้จะพูดถึงประเด็นตรงนี้นะเป็นการพุทธบูชาด้วยว่า ก็มีพวกคนอื่นเนี่ยเขาก็มาพูดกันว่าเอา้าทำไมสมณโคดมก็พูดเรื่องพรหมิหารสี่นะคือคนหนึ่งเขาก็พูดเรื่องพรหมิหารสี่เหมือนกันนะแล้วถามว่าเอ้แล้วมันต่างกันยังไงล่ะใครลอกใครกันแน่ไหวครับอระพุทธเจ้าก็พอได้ฟังคํานี้มีภิกษุมาบอกนะก็เลยสอนให้ภิกษุนั้นเนี่ยตอบอย่างนี้ถ้ามีคนพูดอย่างนี้ขึ้นมาให้ตอบอย่างนี้ไปเลยนะว่าวิธีการที่จะทำํำพรหมิหารทั้ง4เนี่ย ให้ได้ถึงมรรคผลเนี่ยมีอยู่นะคือถ้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้แค่ว่าพรมิหารสี่คืออะไระคือจะจบแต่แต่ว่าถ้าเป็นสามณญโคดมเนี่ยจะรู้ลึกขึ้นไปอีกว่าที่สุดจบของการปฏิบัติโพรมิหารสี่เนี่ยคืออะไรนะถ้าถามอย่างนี้แล้วเนี่ยคนอื่นจะตอบไม่ได้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะตอบได้นะพระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงที่สุดจบของโพรมิหารสี่เนี่ยในในัยยะที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานได้สูดนิพพานได้ันั่นก็คือการปฏิบัติตาม อพรหมิหารสี่ด้วยเนยะของโพชองทั้งเจ็ดอืมอ่าปฏิบัติตามพรหมิหารสี่ด้วยเนยของโพชองทั้งเจก็จะทำวิชาวิมุตให้แจ้งได้ว่าอย่นั้นะคะพรหมิหารสี่อีกในหนึ่งที่จะทําให้ถึงการอุดท้นถูกไหมคะใช่ใช่นี่ก็เป็นเรื่องของเมตตาทีนี้ดิฉันเคยได้ยินมาค่ะบทสวดมีคําว่าเมตตาอยู่ด้วยกรณียะ เมตสูตรบ่นี้ก็เป็นพุทธวัจนะอ่าใช่เป็นพุทธวัจนะที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตายใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเมตตายอย่างไรเขาสวดกันเนี่ยเห็นบางท่านหวังผลนะคะบอกว่าเออสวดแล้วจะปลอดภัยทุกประการอ๋อคือเรื่องเดิมมันเป็นอย่างนี้ว่ามีวิษุกลุ่มหนึ่งประมาณ35ิห้ารูปนี่แหละเขาก็มาขออนุญาตพระพุทธเจ้าไปไปทําความเพียรอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งก็ไปกันพระพุทธเจ้าขออนุญาตก็ไปกัน ไปกันเสร็จแล้วปรากฏว่าไปทําความเพียรไปนั่งสมาธิปรากฏในที่นั้นก็มีเทวดาอยู่ น, น, น, นี่คือเรื่องเดิมน ะ, ทะ เ, ออเทวดานั้นน่อจากว่าพระสงฆ์ไปอยู่กันอยู่ที่นั้นเนี่ยทำให้เทวดาเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของความเป็นอยู่ของเทวดาหมายความว่าสมมติเทวดาไปนั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเทวดาที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยก็ต้องมาอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยคือว่าเทวดาเขาคิดว่าไม่อยากจะอยู่สูงกว่าพระสงฆ์เราก็คิดว่าจะมาอยู่แป๊บๆ แ, แล้วก็ไป แต่ไม่อยู่ตลอดพรรษาเลยอุ้ยทําไงก็เริ่มมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็เลยกวนนะทำเป็นผีทําเป็นอะไรมากวนพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ก็เลยอยู่ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยต้องหนีออกมาเอามาก็มารายงานให้บุรุษชาทราบแล้วบรรุษชาก็เลยบอกวิธีการบอกว่าเอ้าวงันแสดงว่าพวกเธอนี่ไม่ได้จเจริญเมตต ก, กันเลย mm. แล้วก็เลยให้คาถานีเน้เป็นลักษณะของอคาถานะเป็นคาถายาวทีเดียวละ่ะคือกริยาเมตสูตรนี่แหละนะที่บอกว่าเออเธอเอาไป ไข้รวรท่องจำนะก็เป็นลักษณะของการแผ่เมตตานี่ยเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็จะมีความสุขอยู่ดีกินดนะีพอมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะคือเทวดานี่เขาก็มีฤทธิ์ของเขานะในการที่จะทําสถานที่ให้รุ่นโรมย์อะไรต่างๆพโพภิสุทธินี้พ อ, อ, อได้พูดถึงทําจิตในลักษณะของกิริยาเมตตาสูตรนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เทวดานี้ได้รับความสบายใจมีความเมตตามีได้รับบุญด้วยแลนะก็เลยทําสถานที่ให้มันเหมาะสมกับการภาวนา ในสุดท้ายเนี่ยพวกภิกษุสาสิบห้ารูปเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นเรื่องราวของสูตรนี้อ๋อค่ะนั้นก็เท่ากับว่าการที่เราสวดในบทนี้โดยรู้ความหมายมด้วยช่คะอย่างที่ท่านเล่ามาที่เลยใช่ไหมช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เองก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดังที่เล่ามานั้น ก, ก็สวดแก้แก้คนกลัวผีได้สิคะท่านคือสวดนี่คือคุณต้องทําจิตอย่างนั้นนะะเ ข, ข้าใจนะคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสวดสวดเราไม่รู้ความหมายคุณต้องทําจิตอย่างที่ในเนื้อหาพระสูตรนี้บอกด้วยนะค่ะจุดหนึ่งที่เนื้อหาพระสูตรนี้สาคัญมากก็คือว่ า, เ, าเหมือนกับมารดาที่ถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน น, นด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใดเราก็เจริญเมตตาจิตอันหาประมาณไม่ได้ไปอย่างศัท์ประสัพท์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันค่ะก็เป็นการฝึกตนนอีกลักษณะหนึ่ง วันนี้เราใช้เวลากันมาพอสมควรทีเดียวนะคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์พิบูญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเต็มบานท่านฟังที่ครบคะ่ะสําหรับความเมตตาเราจะเอามาฝึกใช้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปแบบเรากอดก็ได้นะครับเพราะว่าผลเนี่ยจะได้ดังที่ท่านจะไปบูญพูดเป็นเรื่องตรงตัวมากเลยนะคะเมื่อเรามีความเมตตาต่อใครเกื้อกูลดูแลช่วยเหลือเขาเนี่ยเดี๋ย่าเข้าใจว่าเขาก็จะมอบ ในสิ่งที่เคารพให้เราดูเหมือนกับเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยปริยายเดี๋ยวเข้าใจอย่างนั้นนะคะและนี่ก็คือส่วนของรายการสันสนีสนทนาที่ดาเนินมาถึงตอนจบวันนี้เราคงจะลาอะไรกันมากไม่ได้เพราะว่าใช้เวลากันเตรียมเหยียดเลยทีเดียวนะคะเปิดมาฟังกันใหม่ที่ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวกับวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้เราลาไปแต่เพเท่านี้คะ่ะขอสวัสดีคะ่ะ